คนนั่นพูดอย่างนี้คนนี้พูดโยกไปโยกมาผลในสุดหาหลักหาเกณฑ์ไม่ได้ผลในสุดหลงตัวเองอีกต่างหากเพราะนั้นพวกเราท่านทั้งหลายนะอยู่นะแตเป็นอะไรก็ตามรู้อะไรก็ตามอย่าไปพึ่งให้ให้คะแนนอย่าพึ่งให้คะแนนตัวเองเร็วเกินไปแล้วก็จะไปปักปั๊มตัวเองเอจนเกินไปจนหมดกำลังใจยอย่าให้คะแนนตัวเองเร็วเกินไป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 อยากได้ราบได้ยศใช่ไหมอยากตัวเองอยากเป็นฮีโร่อยางงั้นใช่ไหมซิ่งเรานี้ให้ถามตัวเองอยู่ตลอดถ้าคนมีธรรมแล้วนะมันจะรู้จักประมาณในการในตัวเองถ้าคนไม่รู้จักถ้าคนไม่มีธรรมนะั่นะนะนะ่ะเป็นกรรมฐานนกวีดไปที่ไหนลขนาดเขาตำข้าวยังไปเทศให้เขาฟังอยู่ท้องไร่ท้องนาไปที่ไหนพายบาดไปนะรู้จักไหมธรรมะเพียงธรรมะเพียงนี้ธรรมะบานัรรรร่นะนะ่นะ